เรื่องลักเจ็ดเรื่องสมัยนั้นพวกขโมยลักมะม่วงทําให้ผลมะม่วงหล่นแล้วห่อถือไปพวกเจ้าของพากันติดตามพวกขโมยเห็นพวกเจ้าของจึงโยนห่อผลมะม่วงทิ้งแล้วหนีไปพวกภิกษุมีทายจิตคิดว่าพวกเจ้าของจะเห็นจึงฉันผลมะม่วงพวกเจ้าของกล่าวหาภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เป็นพระ พวกภิกษุเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องอบัตปาราชิกวงเล็บเรื่องที่เจ็ดสิบสมัยนั้นพวกขโมยลักลูกว่าทําให้ผลว่าหล่นแล้วห่อถือไปพวกเจ้าของพากันติดตามพวกขโมยเห็นพวกเจ้าของ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 พวกเธอต้องอบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่เจ็สิบอดสมัยนั้นพวกขโมยลักขนุนสัมปะลอทําให้ผลขนุนสัมปะลอหล่นแล้วห่อถือไปพวกเจ้าของพากันติดตามพวกขโมยเห็นพวกเจ้าของจึงโยนห่อผลขนุนสัมปะลอทิ้งแล้วหนีไปพวกภิกษุมีทายจิตคิดว่าพวกเจ้าของจะเห็น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 ทำให้ผลขนุนหล่นแล้วห่อถือไปพวกเจ้าของพากันติดตามพวกขโมยเห็นพวกเจ้าของจึงยนห่อผลข น, นุนทิ้งแล้วหนีไปพวกภิกษุมีไทยจิตคิดว่าพวกเจ้าของจะเห็นจึงฉันผลข น, นุนพวกเจ้าของกล่าวหาภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เป็นพระพวกภิกษุเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องอบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่เจสิบสามสมัยนั้นพวกขโมยลักผลตานสุทําให้ผลตานสุหล่นแล้วห่อถือไปพวกเจ้าของพากันติดตามพวกขโมยเห็นพวกเจ้าของจึงโยนห่อผลตานสุทิ้งแล้วหนีไปพวกภิกษุมีทายจิตคิดว่า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 ตัดอ้อยแล้วมัดถือไปพวกเจ้าของพากันติดตามพวกขโมยเห็นพวกเจ้าของจึงโยนมัดอ้อยทิ้งแล้วหนีไปพวกภิกษุมีถยจิตคิดว่าพวกเจ้าของจะเห็นจึงฉันอ้อยพวกเจ้าของกล่าวหาภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เป็นพระพวกภิกษุเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องอบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่75สหสมัยนั้นพวกขโมยลักผลมะพร้าบทําให้ผลมะพร้าบหล่นแล้วห่อถือไปพวกเจ้าของพากันติดตามพวกขโมยเห็นพวกเจ้าของจึงโ ย, ยนห่อผลมะพร้าบทิ้งแล้วหนีไปพวกภิกษุมีทายจิตคิดว่าพวกเจ้าของจะเห็นจึงฉันผลมะพร้าบ